สิกขาบทที่10ภิกษุนีไปดูการฟ้อนรำการขับร้องหรือการประโคมดนตรีต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังไปต้องอาบัตทุกกฎ 2. ยืนอยู่ในที่ที่พอจะมองเห็นหรือได้ยินต้องอาบัตปาจิตติลสุณวักที่หนึ่งจบ